มีญติธรรมโทรศัพท์ไปถามปัญหาไม่เกี่ยวกับโยคะนะ <c oughs> <c oughs> เป็นเฉพาะตรีนะเขาบอกเขามีปัญหาว่าเป็นโรคพุ่มพวงโก็โกนึกอ๋อโรคพุ่มพวงทําไมคล้างไกลเธอถึงขนาด น, น, นั้นนาะพอนึกถึงพุ่มพวงปับ๊บนึกถึงอ๋อเป็นดาร า, านักกลองเด่นโอ้คนนี้นา่ากลัวข้างไคลพุ่มพวงมากแล้วมีปัญหาอะไระเป็นโรคพุ่มพวงค่ะ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 หายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรเรานี่เรามีปัญหาที่จิตใจนะใจสําคัญมากเลยเพราะใจเรานี่มันท้อแท้ซึมเศร้าอย่างนี้หละ่ะก็เลยหาทางให้เขาออกจากปัจจุบันที่มันพุกที่มันลุมเลา้าอยู่เนี่ยบอกชอบทํางานไหมบอกไม่ชอบแล้วท้อแท้แล้วไม่อยากทําอะไรแล้วทําสวนละ่ะทําสวนก็ไม่ชอบแล้วดูทีวีดูทีวีก็เบื่อฟังเพลงก็ไม่เพราะแล้ว เพราะว่าพื้นฐานจิตมันไม่ดีเนี่ยทําอะไรก็ไม่มีความสุขน้ําหมดสนุกไปเลยก็เลยนึกถึงการออกกําลังกายชอบเต้นแอโรบิกไหมยิ่งไม่ชอบเดียเลยแล้วร่างกายไปกันเต้นไม่ไหวและแล้วไทเกสอะไทเก๊กก็ไม่เอาโอ้นึกถึงโยคะเลยนึกถึงโยคะเลยนึกได้คําสุดท้ายว่าแล้โยกคะ่ะโยคะพอได้น่ะมีหวังละจิตมันคิดเลยนะว่าอืโยคะ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 ไม่ได้บอกให้มีสตินะถ้ามีสติจะเพ่งกับสติให้รู้สึกตัวกับการทำโยคะแล้วก็หายเงียบทำไมผมจึงเลือกโยคะเพื่อคลายเครียดผมจำครั้งหนึ่งที่พวเองไม่ได้ไปฝึกเห็นะฝึกไม่ได้หรอกฝึกได้เป็นบางท่าไปไม่รอดแต่ถ้านอนพอได้นะนอนฝึกนอนไม่ทำอะไรนอนเฉยๆเนี่ยผมเคยดูครู ก, กิมครู ก, กิมสอนโยคะ ทุกท่าทุกตอนสุดท้ายกูกินโอกว่าผ่อนคลายเออตุวท้ายเด้ผ่อนคลายเพราะมันใช่ดิผ่อนคลายแสดงว่าใจามันไม่เครียดแล้วผ่อนคลายทําได้ไม่ได้จบสุดท้ายกับผ่อนคลายมันจบลงที่ผ่อนคลายนะชีวิตเราถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันจะผ่อนคลายโนนี่ให้เขาฝึกโยคะแบบผ่อนคลายอาศัยเขาเจริญสติหรือทําความรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวในเอเวอร์ของโยคะเพราะว่า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 ไม่ใช่การกระทบทางตาทางหูปัญหามันเกิดจากจิตของเราเนี่ยมันปรุงแต่งคิดไปตามนหน้าของกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างเช่นอตอนนี้อากาศเย็นอากาศเย็นเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ใจบางคนเนี่ยคิดมัเหมือนกันบางคนโอ้เย็นนี้สบายดีบางคนมันเย็นมากเกินไป จิตเริ่มปรุงละปรุงชอบไม่ชอบแหละเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นที่จิตใจเราเกิดที่ความคิดเพราะเกิดความไม่ชอบปั๊บจิตปรุงแต่งเลยมันไม่น่ามันน่าจะเปิดเบาๆมันน่าจะเป็นอยางงนี้ความเย็นก็จะเย็นอยู่อย่างนั้นแะจต่ใจเราเนี่ยไปชอบไม่ชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบในสถานการณ์เดียวกันแต่ใจคนนี่ต่างกันเอาง่ายๆคือเสียงที่มากระทบหู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 อย่าเคลื่อนไหวร่างกายหรือทำโยคะทางกายอย่างเดียวโยคะทางจิตนี้ก็น่าสนใจได้สองอย่างเลยนะถ้ามีสติรู้ทันจิตใจคิดเมื่อยแล้วก็เนี่ยเจอต้นต่อของปัญหาเจอสมุทยัยสายถึงความทุกข์คือราคะโทสะโมหะรู้เท่าทันจิตทันใจตัวเองถ้ารู้ทันจิตคิดเมื่อยแล้วก็จิตก็จะผ่อนคลายใช่ไหมโยคะ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 มันมีอยู่จริงไหมความโกรธมีจริงไหมตอนนี้มีใครโกรธบ้างมันไม่มีหรอกมันมีแล้วมันก็ดับไปชั่วขณะหนึ่งมันผ่านมาก็ผ่านไปมันเหมือนแขกที่จอยมาแล้วก็จอนจากไปถ้าเราขาดสติเวลาแขกจอนมาก็ต้อนรับแขกแขกมันก็จอนจัดอยู่ในใจเรานั่นแหละวุ่นวายเราปรุงแต่งมากมายไหมถ้าเราขาดสติถ้าไม่สติรู้ทันโอ้แขกมันอายเลย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 แต่เราก็ไม่ลืมกายก็มารู้สึกตัวแบบกายขณะทำโยคะเหมือนกันทำเหมือนกันแต่เวลาจิตมันคิดค่อยมีสติรู้ทันรู้ทันเมื่อนแล้วก็ราคะโทสะโมหะมันก็นดับไป ต, อตัองตาเมื่อจิตหรือความคิดมันดับไปมันจะเกิด อ, อะไรขึ้นจิตมันก็เป็นอิสระเมืเ่อเิดความผ่อนคลายนะจิตเป็นอิสระผ่อนคลายเรียกว่าโยคะเกษมนะ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 ผู้เองก็อาศัยวิธีเป็นด้นเหมือนกันทุกพ่อกายทุกพ่อใจก็อาศัยเหมืนกันแต่สายการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวคล้ายโยคะนอนทิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกตัวไปการพทิกมือพทิกมือรู้สึกตัวพทิกมือหงายรู้สึกรู้สึกสติรับรู้รับทราบไปการเคลื่อนไหวไม่ได้เข้าไปอยู่นะแค่ทำหน้ที่รู้การหน้าที่เคลื่อนไหว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 เต่พอเราเผลออารมณ์เก่าๆก็จะมาแทรกอารมณ์อดีตอนาคตกังวลถึงอานาคตอะไราถึงอดีตก็เข้ามาแทรกจนอยู่มาวันหนึ่งสติมันเต็มรอบมันก็รู้ทันอารมณ์ที่มาแทรกที่นหน้าแล้วเนี่ยมาอีกแล้วทําให้เราเป็นทุกข์ไอ้ความคิดแบบนี้เราก็ทุกข์คิดอะไรอดีตแล้วก็ทุกข์กังวลอน า, นาคตเราก็ทุกข์คิดอยากไปเที่ยวก็ทุกข์อยากกินอาหารอร่อยก็ทุกข์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 ก็เป็นแค่ความรู้สึกความสว่างเป็นความรู้สึกแต่จิตที่ตื่นออกมาจากอารมณ์เนี่ยอันนี้มันจริงกว่าพารู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดปั๊บจิตก็จะตื่นตื่นคือตื่นออกมาจากความยึดติดมาเป็นผู้รู้ซะไม่ได้เข้าไปเป็นคุกเค้ากับอารมณ์ตื่นชั่วขณะหนึ่งถ้าทำบ่อยๆนะจิตเคยจินยียร่รู้สึกรู้สึกตื่นบ่อยๆมันก็มีอาการที่มันโปร่งโล่งเบาสบายผ่อนคลายอิสระ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 ไม่ต้องแทรกแสงไม่ต้องไปขยายไม่ต้องเปลี่ยนรู้เท่าทันพอรู้บ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราซะแล้วจี่คือสิ่งนี้มาปรากรวดโจกกรหนังไม่ใช่เราซะแล้วถ้าว่าจิตมันคงที่มันสงบอยู่เรื่อยมันตายอยู่เรื่อยเนี่ยมันผิดปกติแล้วถ้าเราไปบล็อกจิตให้มันเป็นปกติก็ยังไม่ใช่ให้มันเปลี่ยนอย่างนี้แหละเป็นระดับเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราจะได้เห็นการพัฒนาของการปฏิบัติของเรา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 ไอ้ย้อนมันเป็นไปมันก็สบายแนละ้วต่อมาก็เรานี่มันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าชีวิตเราอยู่ไม่นานหรอกมันเป็นลางบอกเหตุว่าเราจะต้องอยู่ไม่นานชีวิตนี้มันต้องตายไหนไม่ช้าเพราะเราชีวิตแบบผิดปกติกตายก็ตายยอมตายรู้จักยอมสามยอมเโอ้ใจมันเท่ากับเราปล่อยวางอะไรไปได้เยอะเลยนะไม่ได้คิดเอานะแต่ว่ามีความรู้สึกที่เราต้องทาอย่างนั้นเลยนะ ยอมรับความจริงยอมมันเป็นไแปบบยอมตายแออล้วก่อนจะตายจะทําอะไรให้มีสาระนี่เริ่มคิดพอยอมแล้วต้องคิดนะต้องคิดต่อว่าจะทําอะไรให้มันมีสาระนี่เริ่มของสาระของชีวิตแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายแล้วมันทําอะไรแรกอดทนไหมก่อนทนต่อทุกขเวทร่างกายเวทนาทางกายทนต่อยทุกข์จนบีบคั้นจิตใจอารมณ์ต่างๆบีบคันอดทนไหมก่อน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 ถ้าทําค่าตัวมันทําได้นะไปร้องเพลงที่ต่างๆก็ได้ของผมอะไรได้เงนินได้ทองนะะมีค่าตัวเอ๊ะ้ำตัวให้มีค่าดีกว่าเราอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้บ้างอย่างน้อยคนที่มีความทุกข์อย่างเราก็มีทาประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นให้เงี้ยคิดให้กําลังใจนําเอาสิ่งที่มีสาระเอาแพทย์ทางรอดไปก็เลือกบมา <c oughs> มันก็ดู้ว่าเออตัวเองมีคุณค่าก็มีประโยชน์มันก็ต่อชีวิตมาได้ลงนานนะ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 แต่คนดีๆที่มาเยี่ยมผมก็ไปแล้วเราก็ยังคงอยู่ได้นะ่ก็ยืนหยัดไม่ได้ก็ น, นอนหยัดนั่งหยัดก็เอาก็เลยสบายเลยนะอยู่กับตายมีค่าเท่ากันอยู่ก็ได้ตายก็ได้ไม่เป็นไรนะเอาเป็นตัวอย่างได้นะในการใช้วิธีคิดแบบนี้เป็นประโยชน์มากคชด่ว่าคนอื่นก็ทำได้เหมือนกันคนที่มีปัญหาน้อยยิ่งง่ายเลยเราเมิ่มต้นจากรู้จักอยอรับความจริงกัน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 ตอนนี้เรารับกรรมอยู่ก็ใช่แต่ว่าการรับกรรมไม่ใช่ไปแบกอย่างนั้นเราสามารถพัฒนากรรมพัฒนากรรำที่เรากาลังรับเนี่ยให้มันดีขึ้นได้เป็นกุศลกรรมก็ได้ไปปฏิบัติธรรมหรือคิดดีๆทําบุญในตานคือพัฒนาขึ้นไปกรรมมันต้องมีอยู่แล้วมีใครแก้กรรมได้ผู้เจ้าก็ยังแก้กรรมให้ใครไม่ได้แต่สามารถพัฒนากรรมที่มีอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นได้เป็นกุศลกรรมได้ท่านบอกว่า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 พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นท่านร่างกายร่างกายพระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นแต่จิตใจนี่พ้นพ้นการเกิดการปฏิบัติธรรมในที่สุดคือทําแล้วมันไม่เกิดไม่มีตัวตนมาเกิดแล้วใครจะตายใครจะแก่ใครจะเจ็บสมหรพัฒนายพ้นกรรมเหล่า น, นั้นได้มันมีทางออกคิตมีทางเลือกไม่ใช่ว่าเราจะเป็นทุกข์ต้องทุกข์ตล อ, อดชีพมันไม่นั่นมันจะลงโทษตัวเองเกินไป ถ้าเราปฏิบัติธรรมรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจเมื่อแล้วก็เราก็จะไม่ยึดติดกายจิตเป็นที่ตั้งกองทุกข์ถ้าเราปล่อยวางกายจิตได้เมื่อแล้วก็จิตเราก็พ้นทุกข์การจะปล่อยวางนั่งคิดเอาไม่ได้ต้องปฏิบัติธรรมเจริญสติศีล ส, สมาธิปัญญาอริยมรรคแปดพุทธองค์ชี้ทางไว้แล้วเราเดินตาม ม, ม 8, รรคมรงคแปดศีลสมาธิปัญญาหรือภาวนา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 มีทางออกไหมแก่ไม่เป็นไรนะแก่ก็ไม่ใช่เราเรื่องเป็นกรรมของกายต่เราไม่แก่เหมือนกันดังนั้นหลุดพ้นได้ที่จิตใจมีปัญหาในเชิงปฏิบัตินะฮะก็คือว่าพวกเราก็เป็นครูโยคะก็ฝึกโยคะสม่าเสมอทุกเช้าเนาะเราก็จะฝึกโยคะ่ะตั้งไว้ว่าจะฝึกโยคะวันละครึ่งชั่วโมงวันละสี่สิบ้านาทีนะฮะ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 รู้ที่ใครมันเดินออกกายมันเดินใจ ม, มันรู้ลองฝึกเวลาเดินเวลาทานข้าวเวลาทานข้าวเวลาอาบน้ําเวลาแต่งตัวฝึกเป็นผู้ดูกายมันเคลื่อนไหวก่อนไอ้ส่วนการคิดปรุงแต่งนั้นไม่ใช่เรื่องจิตมันเป็นการขึ้นอีกกองหนึ่งนะขึ้นอีกองความคิดคือความคิดจิตรู้คือจิตรู้คิดกับรู้นี่มันต่างกัน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 ที่ไม่ต้องใช้ความคิดเนะี่ยจิตจะแย่เลยชัดเจนมากโอ้กลายมันขยับใจรู้กลายมันเมื่อยใจรู้จิตมันเบือ่อความรู้สึกมันเบือ่อแต่ใจรู้เห็นไหมความเบือ่อความเซ็งกับจิตผู้รู้นี่ ค, คุรันกันนะความเบื่อเป็นสิ่งที่มาปรุงแต่งชั่วขณะหนึ่งเป็นกิเลสจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่มีอะไรราเรู้ส่าบไปเฉย การใช้ชีวิตทั้งวันจะต้องทำแบบเนี้ยเดี๋ยวมาทำโยคะนี่โอโห้หง่ายมากเลยเป็นรูปแบบการปฏิบัติธรรมก็ได้โยคะเนี่ยอย่ามารู้สึกตัวตอนเฉพาะโยคะอย่างเดียวนะมันต้องมาสลักสนกันการใช้ชีวิตทั้งวันหรือการฝึกเดินจงกรมการภาวนาดูลมหายใจทุนนั้นเราสามารถจะเติมสติให้สติมันพัฒนาพอพัฒนาแล้วมันเกิดสัมมาสมาธิจิตมันตั้งมั่นขึ้น จะเห็นอารมณ์ที่มันแยกแยกแย ก, กันอยู่คิดเอาก็ไม่ได้ยิ่งคิดยิ่งรวมถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่แล้วก็มันจะแยกหลักไหนมันก็เอามาใช้เพราะว่าเพื่อความถ่ายถอนความเป็นตัวเราของเราซะเพราะเรามีความเห็นผิดจิตเห็นผิดไปยึดติดว่ากายเป็นเราใช่ไหมละ่ะพอเรามีความเห็นถูกต้องแล้วก็เป็นสมาธิแล้วก็เห็นว่ากายไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยการภาวนากุศลนี่แหละ จะมองเห็นกายจิตไม่ใช่เราอ่าสวสติจะถามอะอไรครับเวลาเกิดความรู้สึกต่างๆอะค่ะเช่นโกรธเสียใจน้อยใจอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเวลารู้สึกอย่างนั้นนะคะมันแนบแน่นเลยว่าเรารู้สึกแบบนั้นอารมณ์นี้เป็นสิ่งที่เราต้องตามดูรู้เหมือนร่างกายด้วยหรือเปล่าคะก็เหมือนกันแต่ การจะตามดูอารมณ์เนี่ยอย่าลืมว่าเราตามเข้าไปเป็นอารมณ์หรือเปล่าการตามก็ตามรู้อยู่บางหาง ร, รู้แบบดูดูแบบแยกแยะแบบบางหางให้เราต้องแยกได้ว่าอะไรคืออารมณ์อะไรคือจิตผู้รู้อะไรคือจิตผู้รู้อะไรคืออารมณ์ผู้คิดให้มันแยกกันแต่ว่าไปคิดแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะจิตเรายังไม่จเจริญจิตจะไม่เข้มแข็งพอจึงต้องมีการเจริญติ กับการคลื่นไหวของกายซะก่อนให้รู้กายไปก่อนให้รู้กายแบบไม่ต้องไปสนใจกับอารมณ์ก่อนให้มันชำนาญที่รู้กายจนจิตมันเข้มแข็งแลวเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะรู้เท่าทัานในอารมณ์ถ้าจิตจะไม่เข้มแข็งเนี่ยเราตามติดเข้าไปเป็นอารมณ์เลยจนจิตมันเข้มแข็งจากการจิสติรู้กายให้มันเข้มแข็งเรื่องดูอารมณ์เนี่ยจะดูง่ายแล เพราะแรู้สึกว่าคือทุกมันเกิดเวลาที่มีอารมณ์นะค่ะเวลาที่โกรธเวลาที่เกิดสิ่งต่างๆขึ้นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่โกรธปุ๊บเนี่ยเราควรจะดูเลยมนะคะว่าไอโกรธไม่ใช่เรามันใช่เราหรือเปล่าค่ะอืมก็หลงเข้าไปติดมันอ่ะก็ความโกรธคือสิ่งที่มาปารากฏโดยปกติเราโกรธอยู่ก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ไหม ค, ความโกรธก็จอดมาถ้ารู้เฉยๆนะ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 อมอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่โกรธนี่คือไม่ใช่ตัวเราใช่ไมชหมคะมันคือสิ่งที่มาแล้วเดี๋ยวมั น, ม น, มนก็ไปเราเแก็แค่มองมันมันเป็นแขกหน้าดําที่จอนมาชั่วคราวอารมณ์โวรธเราไม่ชอบใช่ไหมแต่อารมณ์ดีเรามาชอบไหมงาแขกหน้าขาวแล้วก็ต้อนรับแขกเมื่อเราไม่โกรธเมื่อเราเกิดอารมณ์ชอบใจอารมณ์ที่ไม่ชอบมันก็ต้องตามติดมาเราต้องรู้ทันตั้งอารมณ์ที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบสิรู้แลว้วไปมันผ่านไป เห็นว่าไอ้สองอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่ปรากฏช่วชกันหนึ่งแล้วก็จะผ่านไปไอ้ที่ดีเราเอาไอ้ที่ไม่ดีเราไล่นั่นแหละเราได้เจอทั้งสองอารมณ์อยู่ในใจเราเราต้องไม่เอาดีรู้และแปลนผ่านไปไม่ดีรู้แปลนผ่านไปจิตจึงเป็นอิสระอยู่เหนือเขาเรียกว่าสติตตะปรโยธปนังจิตให้ข่าวรอบคือไม่ยึดติดทั้งดีทั้งไม่ดี แต่ดีนะทานะไม่ดีเราก็ไม่ทํามันทําดีแต่ไม่เอาทั้งคู่เราจึงพ้นจากการเป็นโรคติดดีจิตสติมากๆให้มันเข้มแข็งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้จิตใจมันเข้มแข็งนะต้องหมั่นจิตสติบ่อยๆให้ต่อเนื่องเมื่อเราเจิตสติบ่อยๆต่อเนื่องเวลากระทบอารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยเมื่อกระทบอารมณ์ปั๊บสติมันจะเกิดเอง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 มองเหมือนเป็นบุคคลที่สามดูก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะรบกวนอาจารย์ให้ช่วยอธิบายตรงนี้ให้ชัดขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็รวมแบบวิถีทีวิตของธรรมะเสีษกายก็ต้องดูแลใจก็ต้องพัฒนาไอ้คำว่าแยกเนะี่ยแยกโดยการปฏิบัติสภาวธรรมให้เรารู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วก็ไม่หนีไปไหนนะเราก็ต้องมาฝึกโยคะต่อไปเพื่อเป็นการบริหารกายจิตเป็นผู้ดูแลกาย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 มีฐานอยู่สองคำถามตอนนั้นธรรมะปฏิบัติตัางนั้นเลยโยคะเพื่อการปฏิบัติธรรมต่อไปก็ตั้งเป็นข้อโยคะเพื่อการหลุดพ้นอ่าเข้าท่านะอย่างที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติมานานเนี่ยเพื่อให้เราได้เรียนรู้ อยากอาจารย์นะคะอยากจะให้รบกวนอาจารย์ได้นําเราฝึกปฏิบัติสักนิดนึงนะคะ่ะเพื่อที่จะเดินทางไปร่วมไปกับอาจารย์ด้วยอะคะ่ะเอาการจริติแบบเคลื่อนไหวนะโยคะก็พอจะมีการเคลื่อนไหวเป็นหลักทำให้จิตมันผ่อนคลายได้อลองทําความรู้ตัวเคลื่อนไวนะหวใะหลงพเทียนซิอลองฝึกสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ต้องหลับตา ไม่ต้องมีคาบริกรรมไม่ต้องใช้ความคิดจิตที่ไม่คิดจิตที่ไม่ต้องมีบริกรรมรู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยเป็นจิตที่ผ่อนคลายมากจิตที่ไม่ผ่อนคลายคือจิตที่ไปคิดแม้แต่มีคาบริกรรมก็ติดในคาบริกรรมมันก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งจิตก็ยังยังไม่ผ่อนคลายแต่รู้สึกเฉยๆไม่ใช่ความคิดนะให้รู้สึกตัวบบการขึ้นไวเป็นรูปแบบทาเล่นๆอย่าทาจริงนะ ทำเล่นลนทาสนุกผ่อนคลายต่รู้สึกตัวพลิกมือขวาตะแคงพอเริ่มทำก็เริ่มเพ่งละเอามเอาม่ยเอาม า, า, ม า, า, มาทำแบบสบายๆยิ้มพลิกมือขวารู้สึกนะยกมือขวาขึ้นมาให้รู้สึกผ่อนคลายนะรู้แบบเบาๆแบบผ่อนคลายรู้เล่นๆเอามือขวามาไว้ที่สะดือพลิกมือซ้ายถ้าตะแคง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 เอามือซ้ายไปด้านข้างลดมือซ้ายลงไว้ที่ขาเนื้อตะแกงรู้สึกนะความมือซ้ายลงคลิกมือขวาในท่าตะแคงยกขึ้นมารู้สึกเอามือขวามาไว้ที่สะดืออย่ากเกรงมือนะอย่ากเกรงคลิกมือซ้ายในท่าตะแกงยกมือซ้ายขึ้นมา อามือซ้ายท่าเวที่มือขวาเลื่อนมือขวามาที่หน้าอกรู้สึกเบาๆอัมือขวามาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอกอัมมือซ้ายมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคง ความมือซ้ายลงทำแบบผ่อนคลายมีสติรู้สึกแต่การเคลื่อนไหวรู้แบบดูดูดูแบบแยกแยะรู้แบบเบาๆ เ, เห็นว่ากายเคลื่อนไหวไม่ใช่เรากายทำหน้าที่เคลื่อนไหวเรากายเป็นผู้รู้รู้มันเคลื่อนเบ า, เบ า, เบา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 เราก็ไม่มีแล้วายตัวอยู่พุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วเาขอบคุณครับอันนี้เป็นแค่อารมณ์ซัลองๆให้เฉยไหมในในี้ใครรู้สึ ก, กว่ามันแยกๆ ก, กันบ้างไหใครเห็นที่เงาๆมันแยกไหมกายเคลื่อนไหวคือส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รูปแบบทะเล่นๆแต่ผมเห็นนี่นี่ทําเนี่ยหน้าตาผ่อนคลายนะไอ้ความเคงเครียดไม่มีนะ ร้สึกว่ผ่อนคลายเนี่ยอย่างเงี้ยต้องทำแบบนี้นะทาแบบผ่อนคลายทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่มันชั่วคลาผ่อนคลายทั้งนั้นนะ่ะอย่าไปเคร่งเครียดอะไรก็ตามที่เราเข้าไปสัมผัสเนี่ยสิ่งภายนอกเนี่ยมันไม่เคร่งเครียดหรอกแต่ใจเราต่างหากใจเราเข้าไปสัมผัสด้วยใจแบบไหนถ้าใจแบบจะเอาจะได้จะดีจะไวจะเหนือเข้าเราก็ใจมันก็จะเครียด ถ้าทำแบบเออศัตรวาเ่นเล่นสบายๆแบบผ่องคลายแบบรู้สึกห่างๆเนี่ยมันจะมีความสุขทำหน้าที่แบบไม่ต้องหวังแล้วก็ไม่ต้องเป็นอะไรทำเหตุคือหน้าที่ทีถูกต้องไม่ต้องหวังแล้วเดี๋ยวผมก็จะปรากฏแม้เราไม่ต้องการหวังหรือไม่หวังไม่สำคัญสมาี่เหตุดีถูกต้องเพียงพอหรือไม่ถ้าเหตุถูกต้องและเพียงพอล้วก็ผมก็จะปาปากฏดีเอง